สวัสดีค่ะดิฉันพลอยสีสโรค่ะสวัสดีครับตบระกูลพุทเกดครับค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการถูทนท็อค่ะนี่ก็เข้าแบบไม่มีปีกไ ม, ม่คุยก่ <c oughs> อนหน้านี้นี่คือรีบจัดรีบนะรีบจะมาจัดรายการอยากอัด ก, กด <c oughs> ็กดเลย <c oughs> ไม่มีการให้คิวพูดร่วมดําเนินรายการใดๆดังกูกันหน้าเวอร์เลยเข้าแล้วนะก็สําหรับสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นเดือนเดือนอะกุมภาพันธ์โยเลือ เดินแงความรักเดินแห่งความรักที่เราทั้งสองก็จะไม่พูดเรื่องความรักไม่เขียดเลยเราไม่ได้พูดเลยใช่ไหมแต่มีคนนึงมีความรักอยู่ใครใครใครใคร่ไเอ๋งั้นก็รักลูกรักอ๋อแหมทุกคนเขาก็มีความรักทั้งนั้นเนี่ยปีนี้เราจะเปลี่ยนธีมนะแนจใจเราไม่มีคู่เพราะฉะนั้นเราจะหันไปรักโลกแทนช่วยมารักโลกดิฉันได้ข้อสรุปกับตัวเองละอสําหรับ แล้วผมก็ได้ข้อสู่เหมือนกันซื้อกินเดี๋ยวนี่ออกรายการได้ใช่ไหมซื้อข้าวกินไงมีเวลาิวแล้วก็ซื้อซื้อขอซื้อค้าวกินขอให้คุณตัดการชีวิตให้เรียบร้อย เรางอใครเดียวแล้วขามันสองปีละยยังไม่มีอะไรเลยฉันหามว่า8ปีฉันไม่เคยเจอเลยนานกว่าแข่งกันโกรธกันน่าดูเอาเป็นว่าปีสําหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักที่อาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้มาพูดเรื่องรักๆใครมีความรักก็ดินดีๆด้วยอแต่เราก็มีเหมือนกับอะไรนะมี ความตั้งใจไว้ว่าปีนี้เราก็จะหันมาดูแลโลกใครไม่มีความรักหรือว่ายังไม่มีความรักก็ลองรักสิ่งแวดล้อมรักคนรอบข้างดูก่อนเมารักเชื่อว่าเดี๋ยวความรักจะกลับมาเองทูกต้องโอ้ดูสวยปิดรายการเลยดีแต่วันนี้ที่คุณตะมาจะมาพูดคุยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกี่ยวกับความรักนะเกี่ยวเหรอเกี่ยวเลยไหนว่าเวลารักกันเราก็จะออกเสียงว่าอ้อย เนี่ยเกี่ยวไหะเป็นการดึงเข้าเรื่องที่ยาอย่างรุนแรงมากไม่คือช่วงเนี้ยมันมีข่าวมนพอดีว่ามันเริ่มต้นจากการที่ผมมีเฟซบุ๊กแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมไปกดกลุ่มเนี้ยเมื่อไหร่ปุ่งเมื่อไหร่ไม่ใช่ไปกลุ่มกลุ่มไปไปอยู่กลุ่มเออมันมีกลุ่มของแบบประมาณว่ากลุ่มข่าวสารของชุมชนอะไรประมาณเนี้ยที่เป็นเรื่องของโลคอลเกี่ยวกับเรื่องของบ้านผมคือเรื่องของโคราชค่ะ แล้วก็จะมีเนี่ยข่าวรายวันเลยมีเรื่องเกี่ยวกับ mm hmm. เดี๋ยวก็เผาอ้อยนะเดี๋ยวก็ตัดอ้อยเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็เผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องแบบเอ่อออกแนวแบบพอมีเอกไปสเตตัสประมาณเนี้ยโผล่ขึ้นมามันต้องมีการถบเถียงกันอ่าในกลุ่มอย่างรุนแรงค่ะต้องรุนแรงด้วยหรอรุนแรงเล ย, เเลยมีฝ่ายที่เข้าไปด่าฝ่ายที่เข้าไปด้วยไม่เห็นด้วยออก็จะมีะมุมมองประมาณว่าก่อนเขาทํากันมานานและวจะเพิ่งมาเดือดร้อนอะไรกันอะไรประมาณนี้ใช่ซึ่งแบบว่า คือในความในความคิดผมคือผมเห็นอโคาลิป์แล <S <S โลกนี้กำลังจะแตกแล้วถ้าคิดกันอย่างนี้นะแบบเฮ้ยเออว่าอุยทำกัมานา้แล้วแกไม่ได้แล้วอะ่ะแบบเหมือนกับเฮ้ยก็เหมือนพวกว่าคุณถือถุงพลาสติกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ถือกันต่อไปกถือกันไปจนรุ่นรุ่นรุ่นล้า น, น, นไม่สิใช้หลอดกันมาตั้งแต่รุ่นรุ่ออนไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยเดี๋ยวใจเย็นมันพูดเดือดร้อนล่ะดียเหรอไหมไปโลกมันใกล้แตกแล้วอยากให้เห็นพูดในราย ดูอินเออโรคโลคใกล้แต่งจริงผมรู้สึกอย่างนี้จริงคือรู้สึกแบบอุ๊ยโลกเราสังคมเรามันมันไปไม่รอดแล้วแหละถ้าถ้าเป็นอย่างนั้น่ะนไปถึงจุดจบเออก็เลยตอนนั้นก็พออ่านปั๊บก็รู้สึกว่ามีแอนติจูดกับกับคนที่เพูดเนี่ยซึ่งเขาพูดในมุมของของคนที่ปลูกค่ะไม่ดีเลยคคือรู้สึกแย่ครับแล้วเป็นความคิดที่ว่าเฮ้ยคนปลูกอ้อยก็ต้องคิดกันอย่างนี้เหรอแต่พอไปหาข้อมูลจริงคือ่าที่พอมันเริ่มจากจุดจุดแรกตรงนี้ ก็เลยไปเริ่มหาข้อมูลว่าเออทําไมปูกอ้อยต้องเผาก็ไปเจอประเด็นว่าเอาเข้าจริงๆมันมีไม่น้อยที่ที่เป็นเจ้าของไร่เองที่คิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนเผาซึ่งตอนแรกผมไม่เชื่ออะแล้วผมก็ไปด้วยคือด้วยครามที่ว่าเราก็ไม่ไม่รู้ว่าเ ห, เหตุผลที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าตั้งเปลาตั้งโงไปเลยว่าเอ้ยคนที่ปลูกแหละมันต้องเป็นคนเผาแต่คราวนี้ยพอไปเจอข้อมูลว่า เอ า, เาจริงๆแล้วมันมีปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดการเผาค่ะซึ่งก็ทําให้ให้น่าเชื่อได้ว่าเออคนที่ปลูกอาจจะไม่ใช่คนที่เผาก็าได้คนที่เผาก็ไม่ใช่คนที่ปลูกเออแต่มันมีมีความ <คน S 2> เป็ น, ป, นไปได้ซึ่ ง, ซ, งซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆผมมองว่าโล่ไกลอยู่จบอยู่ดีอะเพราะว่า <laughs> <laughs> ม, มันมีคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องของสังคมเลยอะมันเจะาแต่ได้อะค่ะซึ่งเป็นเป็นอะไรที่รุนแรงมากนะ ในความรู้สึกผมนะยิ่งยิ่งแบบคือยิ่งแย่เขามากอ่ะสื่มันแย่กว่าเดิมมันมันไม่สนใจเรื่องของสังคมไม่ได้สนใจอไรลม่สนใจใครเลยตัวเองไม่ได้เป็นคนปลูกนะใช่แล้วมะพร้าวเนี่ยเอออยากจะได้แต่เงินอ่ะวางอย่งไรอย่างเดียวเลยไอ้คนแบบเนี้ยสุดยอดจริงเป็นขั้นสุดของมนุษยชาติแล้วคือเหมือนกับแมงสาดที่แบบว่าต่อให้โลกระเบิดไปก็แมงสาบก็ยังอยู่ได้อ่ะออืเนี่ยมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยึก็เดี๋ยวว่ากันว่ามันไปยังไง มันเกิดอะไรขึ้นแล้วกันว่าแล้วผมก็รู้สึกว่าต่อให้ไปไล่จับก็จะจับผิดตัวอยู่เงี้ยคือเขาเรียกอะไรเหมือนแก้ปัญหาไม่ตรงจุดด<ม>้วยหรือเปล่าเขาทั้งใจยา ก, กพูดจริงๆนะอ่ะเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นเป็นเรื่องไกลไปสักกว่านี้นะครับอ้อย <c oughs> กลับมาอ้อยรู้ไหมว่าอ้อยเป็นพืชตระกูลอะไรอุลพลอยติ๊กตกติ๊กตอกต๊กตอกไม่แบบมี ไม่มีอยู่ก็โยนออกมาแล้วก็แบบมองยากเด้อตัวเม่ได้เตรียมตัวช่วยเดให้ขอคำใบ้หนึ่งค่ะมีได้มีเยอะแยะเลยเอในสวนตามบ้านก็มีพืชล้มลุกต้นอะไระต้นอะไรเป็นใบประเภทใบเอาสรุปได้กันจะเจนพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ตอบต้นเป็นพืชตระกูลหญ้าอ๋อเหรอกลุ่มเดียวกันก็คือจริงๆจำได้แล้วตอนเด็กเป็นวัชพืชอ่ะสิ ไม่ใช่อผมเคยโดนทําคําถามรู้รอบตัวเขาถามว่ารู้ไหมว่าหญ้าอะไรสูงที่สุดในโลกไม่ใช่พืชกลุ่มหญ้าเนี่ยออําะไรอะไรที่สูงที่สุดในโลกคำตอบคือไผ่อ๋อนั่นก็พืชตะกุดเดียวกันใช่แต่ว่าผมมาไปหาข้อมูลจากสารนักรมรอบโลกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาแล้วแบบว่าเนี่ยมันเป็นหญ้าชื่อนี้เลยหญ้าอันนี้เลยแล้วเป็นชื่อหญ้าที่อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักมาจากอะไรแถวอเมริกาใต้เลยมาเนี่ย บอกว่าสูงมากสูงเมตรกว่าๆเอืป็นกลางๆที่ไม่ได้ไม่ต้องไปหาความรู้อะไรถามพ่อพ่อบอกไผ่ไผ่สูงสิบกว่าเมตรออเถียงด้วยนะตอนนั้นเถียงด้ะก็ไปหามาน่ะแต่เขาก็บอกว่าก็ไผ่ก็สูงกว่ายอมรับเถอะกูก็บอกว่าไผ่สูงกว่าคาตอบคือไผ่ก็เลยจามาตลอดเลยว่าเอออ๋อโอเคย่าไผ่อ้อยอลไรเนี่ยมันเป็นพืชแต่กุหเดียวกานการประโยชน์ของอ้อยคือขับปัสสาวะแก้ ไปพิการได้นะครับแล้วก็ขับพวก เ, เขาเขาบอกว่าขับนิ้วแล้วก็ช่วยพวกที่คนที่เป็ น, นหนองในตรงนั้นผู้ชายนะเที่ยวก็อาจจะเดินถืออ้อยขอ<น> <laughs> บกัดเหมือนเป็นแมงกวางเลยแบบดูจุบจ๊บจจุบจ๊บ จ, บจบกันไปน ะ, อ, ะอ้อยในเมืองไทยเนี่ยปลูกเท่าไหร่นี้ข้อมูลผมจำํำแหล่งที่มาไม่ได้แต่ว่ามันมีอ้างอิงอยู่นะครับเขาบอกว่าช่วงฤดูการ 50-51 นะครับ มีพื้นที่ปลูก อ, อ, อ้อยเนี่ยประมาณนะประมาณการ 6.59 ล้านไนร่ผลผลิตที่ทำได้ตอนนั้นคือ 73.5 ล้านตัน 73.5 ล้านตันเนี่ยเอาไปทำน้ำตาลได้ 7.82 ตันโดยประมาณนะครับ อ, อ, อ้อยที่ปลูกเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องเผาดูไหมในสาราบเพราะว่า จริงๆแต่ก่อนก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ <ภา S 1> ก็ยังสงสัยว่าทำไมต้องเผาือก็คือเอาไง่ายๆว่าที่ต้องเผาเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่สองสมอย่างก็คือเออ่ใบอ้อยเนี่ยมันค่อนข้างจะคมค่ะ <ภา S 1> แล้วเวลาปลูกขึ้นมาเนืสภาพเหมือนกระยาบ้านเราอะบาทเหรอมันเออมันจะมีแบบงอกแบบทุกที่ทุกทางอะ่ะค่ะแล้วมันก็จะใบใบอ้อยมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ยาวค่ะ <ภา S 1> แล้วพอปลูกเยอะๆมันก็จะแบบหูแล้วมันคมอ่ะ คนเข้าไปตักก็เสี่ยงที่จะโดนบาดโดนอะไรแล้วไม่สะดวก <7. S 2> มันก็จะแบบว่าเดิน <5. S 2> เดินทงางก็คือวิธีจากกำจัดทิ้งก็คือเผามันมีเงื่อนไขที่เกิดขึ้นมาซึ่งผมไม่สรุปแล้วกันว่ามันมปปัจจัยของใครแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีเรื่องของของการเผาโผขึ้นมาตรงที่ว่าเขาอันนี้คนที่เป็นข้อมูลจากคนที่เป็นเจ้าของไรนะเขามาให้ข้อมูลว่าถ้าไม่เผาเนี่ยคนที่เป็น คนที่รับจ้างตัดก็จะไม่ไปตัดเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างแรกมันไม่สะดวกอย่างที่สองคือมันก็เสี่ยงเรื่องของการบาดเจ็บอะไรเงี้ยเออเพราะงั้นเขาก็เขาก็เลือกที่จะไปตัดในไร่ที่เผาแล้วคือเผาใบให้มันให้มันโล่งๆแล้วอ่ะเข้าไปสะดวกตัดง่ายๆออะไรประมาณอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งที่มันที่มันมีปัจจัยเหมือนกันคือโรงงานจะหักเงินนะครับในเออ้อยที่เผาอ่ะตันละ 20่สิบบาทค่ะตรงนั้นก็คือว่าเวลาเขาขายกันเขาขายเป็นเขาขายหลายตันแต่เขาไม่ได้ขายเป็นตันเดียวอะไรเงี้ยนะ <st> เขาจะขายเป็นร้อยร้อยะไร <จำ S 2> ประมาณนี้นะเจ๊มนวลเนีมันก็เลยเยอะเออเพราะงั้นเนี่ยพอมันมีการหั่นการตัดเรื่องของ อ, อ, อ้อยที่เผาเนี่ยราคาจะลดลงแน่นอนระดับหนึ่งอันที่2คืออ้อยที่เผาแล้วทิ้งไว้นานและความหวานก็จะลดลงอีกออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าความความหวานที่แบบว่าเเวลาเข้าโรงน้าตาลจะมีส่วนที่ถูกตัดถูกหั่นได้อีก ค่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัจจัยไหมแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันมั น, มนทำให้เกิดขึ้นประเด็นนะครับอุย้ยกำลังจะไปต่อหมดเวลานนเดี๋ยวเราพั ก, กให้คุณตะไปตัดอ้อยสักครู่นะเดี๋ยวเรามาต่อในช่วงสองค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการทูทนทอค่ะแล้วก็ตัดฉับไปเลยเมื่อกี้นะวันนี้คุณตัดมาตัดอ้อยมาแล้ว <laughs> จมาชนพูดคุยเรื่องของอ้อยเราควรจะออกเสียง ว, ว่าอ้อย <laughs> ให้เข้ากับเดือนในความรักเขียวไหมเนี่ยก็ผมอ้อยแล้วคุณพลอยอ้อยสลับกันนะมันจะอ้อยอ้อยอ้อยมากมากเลยแลดูเป็นแมวน้ำายู่ออกไปทางนูน้นเออ <c oughs> ก็เข้าท่าดีอ่ะคราวนี้มันมีอย่างที่บอกไ้ปัจจัยในการเผา <c oughs> ไม่เผา <c oughs> ม, มันมีมันไม่ได้เกิดคือผมไม่รู้สึกว่าถ้าเผาก็จะมีประโยชน์กับคนที่ปลูกก็คือว่าโอเคจะหาคนที่มาตัดง่ายขึ้น <c oughs> แต่ว่าแน่นอนกําไรก็จะหดลงน้อยลงนะครับเพราะงั้นผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาเลือกได้เขาคงไม่อยากจะไม่อยากจะเผาค่ะอันนี้เดาเองนะค่ะเออเพราะงั้นก็กส่วนนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเออไว้คนที่คนที่ทําอ้อยอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เผาไร่ตัวเองก็ได้คือเป็นคนะคนละกวนกันคนละคนละส่วนคนละคนกันเออมันอาจจะมีคนอื่นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องเนี้ยที่เป็นคนตั้งตัต้งตตีของการเผาเพราะเขาบอกว่า ต่อให้เขาเขาคือ เ, เขามีวิธีการตัดสดคือตัดใบสดค่ะทิ้งเอาไว้ก่อนเพื่อจะไปจะไปเคลียร์ทีหลังอะไรเงี้ยเวลาตัดทิ้งไว้แล้วใบมันก็จะแห้งขาดห่าไร่แล้วมันก็จะมีคนไปแอเผาโอ้ตอนที่เจ้าของไร่ก็คือบางทีเอ่อคนที่เป็นเจ้าของไร่ก็อาจจะไม่ได้อยู่บ้านตรงนั้นอ่าเข้าใจเขาบอกเอ่อคนคนเนี้ยที่เขาให้ให้ข้อมูลเขาบอกว่าตัวเขาเองบางทีมันถูกเผาไปเกี้ยงแหละเขารู้อีกทีก็คือหลายวันแหละ เราะั้นเนี่ยอ้อยที่ถูกเผามันก็มันก็ยิ่งเสื่อมของบ้านเราดีกว่าจะได้มาตัดใช่ก็จะมีประเด็นอะไรพวกนี้ขึ้นมาอีกอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าเจ้าของไร่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็ราก็อีกอีกประเด็นหนึ่งใช่มันก็มีประเด็นอีกแต่ว่าก็โอเคไม่รู้นะผมก็รู้สึกว่าก็ต้องยอมรับแหละมันก็จะมีเจ้าของไร่ที่เขาเลือกที่จะเผาอย่างที่บอกเพื่อให้มีคนมาตัดถ้าไม่เผาก็ไม่มีคนตัดเนะมันก็จะวนวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะครับเออคราวนี้ อย่างที่บอกไปว่าพอมันมีปัจจัยโน่นนี่นั่นเข้ามาเนี่ยมันเข า, เ า, เา ค, นคนที่ให้ข้อมูลเขาบอกว่าราคาขายสมมติตั้งราคาขายคือหก0แปดสิบาทเนี่ยก็โดนหักตังค์ตันละยี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีค่าตัดค่าขนอีกสามร้อยบาท <c oughs> รวมกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือประมาณสามร้อยสสิบาทต่อตัน <c oughs> ซึ่งหมุนทองร้อยสิบาทอะ <c oughs> แต่ต้องต้องทำกี่ตันไม่รู้อะ <c oughs> ถึงจะแบบว่า คุมทุนที่เขาลงทุนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนมันมีอะไรบ้างค่ะปุ๋ยค่ะลดนู่นนี่นั่นอะไรเงี<ช>้ยเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายอะไรอย่างไงแต่ว่าดูมูลค่าเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะน้อยมากถ้ามองว่าเนี้ของกําไรที่เหลือนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เป็ น, เ ป, นเป็นหลายๆเรื่องที่ที่มีประเด็นทําไมต้องแล้วอาจจะมีคําถามว่าแล้วทําไมต้องตัดต้องเผากันในช่วงนั้นเพราะว่ามันมีปัจจัยใหญ่กว่าในการคุมเรื่องราวพวกนี้อีกทีหนึง่ง คืออย่างผลไม้เนี่ยถ้ามันออกทั้งปีเราก็เก็บได้ทั้งปีอแต่อ้อยเนี่ยมันมีเขาเรียกหรือดูเปิดหีบโหดเปิดหีบแล้วหนีเพลนแน่นหรือดูเปิดหีบอ้อยเออมันคือคํำนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาตนแลก็ อ, อ, อ, อาว่าตามเขาแล้วกันหบคําว่าเปิดหีบนะอือเนี่ยเพอหีบปั๊บมันขึ้นจมูกโหดหีบปึบหามหดเนี่ยอืยากจริงๆลำบากพูดให้ชัดก็ลำบากแหละ นี่ขึ้นนาศิกเลยได้ถูกกูได้ถูกก็คือคำว่าเปิดหีบคือช่วงที่เหมือนกับเอางอ่ า, งายๆว่าโรงงานจะรับอ้อยเข้ามาในโรงงานค<ฆ>่ะแล้วมันจะมีช่วงเวลาคือเขาเขาพยายามจะทำก็เข้าใจมุมหนึ่งว่าถ้าเขาบอกว่าอ้อยเนี่ยเป็นพืชที่ถ้าได้รับน้ำเยอะก็จะโต มันีาช่วงของปล่องก็จะยาวอะไรเงี้ยครับมันจะสูงก็จะให้ผลผลิตที่ดีที่ดีกว่าแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าอ้อยปลูกในหน้าฝนหรือว่าโดนน้ำฝนเยอะๆคุณภาพด้อยลงอาอเหมือนกับว่ามันต้องได้รับในปริมาณที่พอเหมาะพอเหมาะมันก็มีเรื่องการดูดซึมแร่ธาตุเข้าไปทำให้ตัวน้ำข้างในมันหวานอะไรอย่างเงี้ยมันคงดีไปหมาแต่ถ้าน้ำเยอะไปมันอาจจะจืดเลยประมาณนี้นะค่ะ อันนี้มนโนโล้นลวนเพราะว่าดูความที่ว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆแต่เดาเอาเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าออ้อยที่ตัดในช่วงที่เริ่มเจอฝนแล้วเนี่ยมันจะคุณภาพไม่ค่อยดีอต้องตัดก่อนต้องตัดก่อนก็คือจะเป็นช่วงที่เขาเริ่มเปิดหีบกัเนี่ยตามข้อมูลบอกว่ามกราถึงเมษาช่วง ป, ประมาณชวงนี้หรือร้อยแปดสิบวัน ท, ที่เขาที่เขาบอกบอกกันมาเนี่ยนะแต่ว่าข้อมูลจากที่ไปอ่านเจอเนี่ยเขาบอกว่า เ, เริ่มจริงๆก็เริ่มเปิดหีบกันตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วในรอบปี60 6, 0, 6 0, 1่น6 0, 6 0, 6 0, 1> เนี่ยนะครับจริงๆันเป็นหนงเนาะอ่ะใ ช, ใช่ปีนี้คือไม่ไแน่ใจว่า ไ, ไม่ไม่แน่ใจว่าปีนี้เปิดเมื่อไหร่แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยพอยอตั้งแต่พยอยอ่า <60. S 2> ไล่เข้าไปนะครับจ น, จนปี61หงพราะการเนียมันพอมันมีช่วงเวลาจากัดแต่มันมีคนตัดอยู่กลุ่มเดียวหรือหรือไม่ใช่กลุ่มเดียวหรอก เดีย๋ยวจะกลายเป็นว่าระโยนโยนบาปให้เขาเอาเป็นว่าเมื่อมีคนช่วงเวลาจำกัดในการตัดกับพื้นที่สมมุติว่า 6.5 9ล้านไร่เนี่ยมีพื้นที่อยู่เท่านี้แต่มีคนตัดอยู่จำนวนเดียวเพราะงั้นดีมานซ์สไพลมันไ ม, ไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันและคนก็อยากจะได้เพราะงั้นทุกคนที่อยากได้แรงงานมาตัดแล้วแรงงานตัดเขาเลือกได้ไง ตอนนี้หลอดอะรลอดเลยเพราะว่าพื้นที่เยอะมากช่วงพีคไงช่วงหะช่วงแบบทํารายได้มันบังคับพีคด้วย<ช>มันมีทุกอย่างที่มันถูกบังคับไ้หมดเลยนะครับก็เลยแบบว่ามันเนี่ยพอพอมีเงื่อนไขขึ้นมาก็คนที่เป็นเจ้าของไร่คงมีทางเลือกไม่เยอะนักค่ะเนี่ยเพราะจริงๆถามว่ามีทางเลือกอื่นไหมอย่างเช่นอ่ามันมีเครื่องเครื่องมือในช่วยในการตัดอ้อยก็จะเป็นรถตัดอ้อยซึ่งราคานําเข้าจากต่างประเทศเยอยู่ประมาณ11ถึงเอ่อสิถึงสิงล้านโอ้โหต่อคัน อะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเอาเข้ามาต้องลงทุนขนาดไหนคือหมายถึงว่ายังไงถึงต้องตักกันไปขนาดไหนมันถึงจะคุ้มทุนเนี่ยคุ้มทุนใช่แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมันเป็นไล่ใหญ่ๆหรือว่าสามารถจะรวมตัวได้จริงๆนะผมว่ามันก็อาจจะคุ้มถ้าอบตหรืออะไรจะรูไม่มีนวัตกรรมของคนไทยหรอมีคนไทยทำเหมือนกันครับคนไทยทำทีแบบคิดเครื่องนั้นเครื่องนี้ออกมามีรถตัดอ้อยแบบ แบบไทยๆเนี่ยราคา 2.5 ง้าล้านซึ่งก็ถือว่าลงไปเยอะเลยถก้าจะมีเขาเรียกอะไรวิสาหกิจชุมชนที่จะลงทุนเอาไว้หรืออบตที่พอจะสามารถคือถ้าพื้นที่ทำอ้อยเยอะจริงๆผมว่ามันก็คุ้มที่จะทำกันทั้งหมู่บ้านทั้งตําบลอาเภออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกครับก็คือจริงๆแล้วมันเหมือนมีโมเดลที่เคยได้ยินก็คือว่าโรงงานบางโรงงานเขาก็เสนอ จะไปจะไปตัดให้อืมจะคือมีหมายถึงว่ามีเขามีรถที่จะให้บริการอ่าแต่ว่าออ่อคนทําคนที่ทําอ้อยเขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วจะโดนกด ร, ราคาหรือเปล่าอะอะไรประมาณมนี้ก็ต้องอยู่ด้วยใครถึงยังก็ต้องเป็นระบบที่ที่มันธรรมา巴น่ะพูดคุยกันได้ไงผมว่ามันก็ยังอยู่อย่างนั้นน่ะคือถ้าสมมติว่าโรงงานคิดแพงไปเราก็ไม่ต้องใช้บริการในรอบหน้าสิหมายถึงเท่าที่เท่าที่อ่านนะคือประมาณว่าเขามาตัดให้ฟรี แต่ผมไม่รู้ว่าปลายทางเขาจะไปบีราคาหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างงี้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถ้าตัดให้ฟรีทําไมถึงไม่ไม่ให้เขาไปตัดหรือมันเหมือนเหมือนมีเงื่อนไขว่าผูขาดเนี่ยว่าถ้าไปตัดให้แล้วเนี่ยต้องส่งที่ฉันเท่านั้นเหมือนเหมือนกับบริการและหลายเจ้าที่อันนี้ไม่ใช่อ้อยมันผลไม้เมีเหมือนกันที่เป็นตลาดที่เขาเข้าไปตัดในสวนเลยตัดให้อะไรอย่าเงี้ยคือเจ้าของสวนไม่ต้องตัดเขาบริการแต่แต่ว่า ขอแค่ว่าต้องส่งให้เขาเป็นเจ้าเดีย ว, วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้มันคงเป็นเป็นรายละเอียดของการพูดคุยซึ่งถ้าจะให้ดีภาครัฐอาจจะต้องเข้าไปควบคุมหรือว่าเข้าไปช่วยเดูแลเงื่อนไขบรรรขอะว่าเอาเข้าจริงเกษตรกรคงไม่คงก็ไม่ได้ดูถูกนะแต่หมายว่าเขาคงไม่ได้มีเวลามามาดูรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับคงต้องมีอะไรที่ไปช่วยคุ้มครองเขาด้วยเอาเวลาเหลือจิ๊ดเดียวเอาเป็นว่าน่าจะเห็นภาพน่าจะเห็นภาพว่าทําไมถึงต้องตัดอ้อย ทำไมถึงต้องเผาทาไมถึงต้องเผาอ้อยแต่ว่ามันก็มีวิธีการนะที่จะไม่คือเขาบอกว่ามีข้อมูลนะที่ไปหามาเขาบอกว่าตัวใบอ้อยเนี่ยมันเป็นปุ๋ยชั้นดีมากๆถ้าไม่เผาได้เนี่ยจะดีมากกับดินก็ดีสิ เ, ออเพราะว่าปุ๋ยตัวใบอ้อยเนี่ยเป็นไนโตรเจน 0.3 ถึง 0.60.66 ปนะครับถ้าคิดง่ายๆเผาปีละสิบล้านตันเนี่ยตัวตัวใบอ้อยเนยเท่ากับเราเผาปุ๋ยทิ้ง่ปีละสามหมื่นห้าพันถึงหก0มืหกพันตัน<ม>เป็นปริมาณที่สูงมากค่ะคิดสภาพว่าถ้าเกิดเราเอาเงินไปซื้อปุ๋ยก้อนเนี่ยกลับมาใส่ดินนะ่ะโ้โห oh, มันก็มันก็สาตร์เหมือนกันเอาเป็นว่าจริงๆแล้วมีเรื่องราวเยอะแยะถ้าเกิดว่าเผา เผาอ้อยแต่เอาแค่เผาใบอ้อยเนี่ยไม่ต้องรอให้เป็น pm 2.5 เอ้ย pm 2.5 ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับ<อ>มันมีสารพิษอีกห้าชนิดซึ่งคงไม่ต้องพูดว่ามันมีสารอะไรบ้างเอาเป็นว่าถ้าโดน ม, มากๆตายอย่างเดียว <c oughs> แค่นี้พอเลยเ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องรอฝุ่น 2.5 เนอะ่ย <c oughs> เอาแค่ควันจากของมันเนี่ยจากการเผาอ้อยดมไป เยอะเอะตาแล้วก็ไม่ต้องมาบอกด้วยนะว่าว่าเขาทํากันอย่างนี้มานานแล้วไม่ต้องไม่ต้องคือผมเชื่อเลยผมฟันธงอย่างนี้ว่าไอไอคนที่พูดอเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ปลูกหรอกอืเป็นกองเชียร์แต่เป็นกองเชียร์แบบผู้รู้อะรู้แบบไม่ไม่จริงอะ่ะออืแล้วก็แบบว่าชอบมาแบบโอ๊ยเขทํมันอยางงี้มาเยอะแล้วก็ทาทำมันานแล้วมีคนมาช่วยตัดก็ไม่เอาอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าเออจริงๆถ้าทําได้ก็ทําอะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเจ้าของไร่เองที่ที่ดูข่าว ดูข่าวสารบ้านเมืองเขาคงจะรู้สึกแหละว่าเออถ้าทำแบบนี้อย่างเี้ยมันก็จะโดนด่ามันก็จะมีคนปรามาตรเรานะกฎหมายเขาก็มีมีคนไปไล่จับด้วยไม่พูดกันแบบว่าตามแฟกเลยตำรวจลงพื้นที่ไปจับแล้วนะครับมีภาพด้วยล่าสุดวันนี้ในกลุ่มเดิมนั่นแหละไอ้พวกเชียร์เชียเงียบกิ๊บเลย พอถูกจับแล้วเงียบแต่ก็มีก็มีอยู่ก็เขาทำมันมาตั้งนานแล้วมันจับเขาไยังไงอะไรเงี้ยกอันนี้แหละวีกนี้สัปดาห์นี้แหละดูเป็นความอันส่วนตัวคุณตากคือแบบว่าจริงๆผมผมไม่ได้มีอะไรกับใครเลยนะพี่แต่ว่าอยากจะให้มองในในภาพรวมว่าเอ้ยถ้าเราเชื่อว่าเขาทํากิดมานานแล้วแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยโลกเราอวสานแล้วจริงๆไปนานแล้วอันนี้เชื่ออันนี้เชื่อเรื่องเดียวกันกับคุณตากคือไอ้ที่เขาทํามานานแล้วถ้าเราค้นพบแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่หรือ เป็นทางที่ไม่ถูกเราเปลี่ยนได้คือเราสามารถเปลี่ยนมาได้ไม่เราไม่จําเป็นต้องตามเขาแต่นี้ผมผมยังมี q u e s t i o เล็กๆที่แสดงว่าพอเราเจอประเด็นแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมันไม่มีใครอยากเผาอแต่คราเนี้ยคราวเนี้ยคำถามคือแล้วใครที่อยากเผาแล้วจะจัดการกับคนที่อยากเผาได้อย่างไรชตนเองก็ฝากไว้ฝากไว้นะครับฝากไว้เดี๋ยวก็แล้วกันเนาะฝากไว้เนี่ยไม่ได้ฝากท่านผู้ฟังนะคงฝาก คนี่มีอำนาจอำนาจรัดน่ะเขาจะฟังเราไหมน้อาอาจจะหาเสียงอยู่ก็แล้วแต่นะครับอสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอ้อย FM 89.5 MHz เมสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี